เรื่องนายจุนทะฆ่าสุกรเป็นอาชีพอันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จประทับในพระเวรุวันกรุงราชฤกวันมคดแห่งพระราชาพิมพิสารได้ยินว่ามีบุรุษผู้มีอาชีพฆ่าสุกรขายเป็นปกติชื่อว่านายจุนทะสุกริกะตลอดห้าิบห้าปีแห่งอาชีพนี้ เขาทำอยู่ด้วยการบรรทุกเข้าเปลือกใส่เกวียนเข้าไปตามหมู่บ้านเพื่อบอกแลกลูกสุกรแล้วนามาเลี้ยงเติบโตแล้วข่านําเนื้อไปขายด้วยวิธีมัดตัวสุกรแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองฟูหนาขึ้นง้างปากด้วยท่อนไม้กรอกน้ําร้อนใส่ปากเพื่อให้ขับถ่ายคูดออกจากกระเพาะและลําไส้ให้ท้องสะอาดแล้วราดน้ําร้อนบนหลังสุกรลอกให้ขาว เผาแล้วซึ่งขนด้วยคบไฟตัดหัวสุกรด้วยดาบอันคมเอาภาชนะรองเลือดขยำแล้วซึ่งเนื้อปรุงเป็นอาหารและเหลือแล้วเอาไปขายทำอยู่อย่างนี้ห้าสิบห้าปีนายจุนทะไม่เคยทำบุญแม้ว่าข้าวทัพพีหนึ่งต่อมานายจุนท่าเกิดเป็นโรคขึ้นในกายเกิดความเร่าร้อนด้วยเหตุแห่งไฟมหานรกชื่อว่าอเวจีได้ปรากฏแล้ว นายจุนทะร้องเสียงดังคล้ายสุกรถูกญาติพี่น้องจับขังไว้พระภิกษุทั้งหลายได้ยินจึงกล่าวว่านายจุนทะคงจะฆ่าสุกรขายตามปกติแต่เสียงร้องทั้งวันคิดว่าคงจะฆ่าสุกรเป็นอันมากนายจุนทะร้องอยู่เจ็วันก็กระทํากาลกือตายในวันที่8แล้วบังเกิดในมหารกชื่ออเวจี ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแล้วเขรือหัดหรือบรรพชิตก็ตามยอมเศร้าโศกทั้งในโลกทั้งสองคือในโลกนี้และโลกหน้ายอมเดือดร้อนนั่นเทียวข้อธรรมะวิจัย อันว่าอาชีพที่ไม่ควรประกอบเรียกว่ามิจฉาอาชีวะไม่ควรประกอบห้าอย่างได้แก่ค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นค้าขายสตราวุธน้ำเมาและยาพิษเมื่อรู้ได้อย่างนี้พึงหลีกเลี่ยงกุศลกรรมดังกล่าวเสียอันว่าศีลห้ากุศลกรรมบทสิบเป็นศีลของพระอริยเจ้าทั้งหลาย อันว่าพระโสดาบันบุคคลผู้เข้ากระแสแห่งพระนิพพานย่อมไม่ล่วงละเมิดศีลห้าแม้ข้อใดข้อหนึ่งเพราะพระโสดาบันย่อมไม่ไปบังเกิดในกายหยาบเช่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตและอสุรกายอีกแล้วท่านปรารถนากายละเอียดและกายทิพย์และจะบังเกิดในที่นั้นอีกไม่เกินเจดชาติในสตัคัตุไม่เกิ น, นสมนชาติในโกลังโกละและอีกชาติเดียวในเอกพีชีโสดาบัน กรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจิตตะสัมพูตชาดกพัสสะเป็นบ่อกเกิดแห่งกรรมนิเพธที่กะสูตรกรรมเป็นเนื้อนามีวิญญาณเป็นพืชมีตัณหาเป็นยางเหนียวนวสูตรการกระทาชั่วย่อมนำไปสู่ทางชั่วธรรมบท